เช้านี้นิมนต์พระอาะจารย์วราชัยพูดตรรมะใ้เราฟังครับ <c oughs> ข อ, อนอบน้อมต่อคุณ <c oughs> พระรัตนาไตรโอกาสเพื่อนสต ร, รี ท, ท, ทุกท่านเจริญธรรมแม่ชีและญาติธรรมทุกท่านเนาะก็นั่งสบายๆเนาะ เมื่อกี้เราก็ได้สวดบทหนึ่งที่ว่าเป็นปัจฉิมะพุธทธวาสที่ถวายที่ได้แสดงแก่พระภิกสงฆ์ในขณะที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ใกล้จะ <c oughs> <c oughs> ประดิษพานแล้วนั้นอันนี้เป็นเนื้อความที่เรียกว่าเป็นคำตัดครั้งุดท้ายหลังนั้นก็ไม่ได้ตัดอะไรอีกซึ่งก็น่าจะมีความสำคัญมากนะเพราะว่า ดูความภิกษุทั้งหลายสังคารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเนาะอันนี้ถ้าจะว่าให้เต็มเต็มก็คือให้ทาประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเ ถ, ถอเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขณะที่พระเจ้าใ ก, ใกล้จะปรินิพานนั้นก็ภิกษุเป็นส่วนมาก จำนวนมากก็ยังไม่ได้บรบรลุมากพนิพานหรือว่ายังไม่ได้เป็นลุกเป็นพระ เ, เจ้าระดับใดระดับหนึ่งตั้งแต่ประโสดาบันขึ้นไปเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยให้ทุกๆคนนะไม่ประมาทในการที่จะบาเพ็ญจิตให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ <c oughs> โดยเร็วพันเนาะ <c oughs> การไม่ประมาทนั่นก็คือเราจะต้องมี <c oughs> มีความรู้อย่างหนึ่งว่าเร า, าต้องตายเนาะ ความความตายเป็นสิ่งที่แ น, น, น่นอะนเมื่อมีความตายแล้วนะอันนี้ก็คือต้องตายแน่นอนเราจะทำอย่างไรนะก่อนจะถึงความตายนั้นนะถ้าเราจิตของเรายังมีกิเลสนะมี <c oughs> มีอนุสัยกิเลสต่างๆมากมายอันนี้ก็เป็นเชื้อเพราะให้เราต้องนำไปเวียนว่ายตายเกิดนับภูมนับชาติไม่ท้วนมืนก็ต้นไม้ใหญ่นะที่สูงสัก30เมตรได้แหละ <c oughs> ก็ต้องเกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่เล็กนิดเดียว น ะ, มะเมล็ดพันธุ์ที่ยังมีเชื้ออยู่เมื่อลงไปในดินกุด <c oughs> ดิน <c oughs> ดินที่ดมสมบูรณ์ก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิตใจคนเราก็เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ยังมีกิเลสอยูนะ่มีความโลภความโกรธความหลงต่างๆเหล่านี้เนะมื่อถึงแก่ความตายไปนะจากการที่จิตยังมีกิเลสเหล่านี้อยู่ก็จะเป็นเหตุให้เกิด <c oughs> พ บ, พบเกิดชาต <c oughs> ที่จะนําไปกําเนิดใหม่ไม่มีที่สิ้นสุดเนาะอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไปแล้วว่าถ้านากระดูกในแต่ละชาติมารวมกันก็เท่ากับเขาสินยุหรือว่าถ้านําน้ําตาที่เราเคยหลังไหลก็จะเท่ากับหมหาสมุทรนะหรือว่านําต้นข้าวในชมพูทวีป <c oughs> มาทําเป็นกรรมกรรมสี่นิ้วก็ยังน้อยกว่าภพชาติที่เราเคยเกิดมาเนาะทั้งในพระคเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว อะไรอะไรเป็นเหตุให้นำไปเกิดใหม่นะก็เลยสร้างเหตุเหล่านั้นไปเรื่อยๆเนาะสร้างเหตุต่างๆมากมายนะด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยตัณหานี่แหละก็เลยนำให้สู่ไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดนับพบระชาติไม่ทั่วนะนี้เมื่อพระเจ้าได้ทรงมาตรัสรูแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมเพื่อสู่การพ้นทุกข์พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นนะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นชาวพุทธ เนี่ยก็จะ <va> ต้องนําสิ่งนี้มาพิจารณาดูว่าอเราสามารถที่จะทำได้ไหมในการที่เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนาะงั้นเราก็ชื่อว่าเรามีความประมาทนะความประมาทอในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละนะเราก็ไม่หาคนทางที่สู่การพ้นทุกข์ตรงเนี้ก็ชื่อว่าเป็นเป็นความประมาทอย่างยิ่งใช่ไหมไม่หาคนทางสู่การพ้นทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วในพระศาสนานั้น เวลาที่ตั้งของพาสนาเท่ากับแสงาแรับในจักรวาลเท่านั้นเองนะเป็นแสงาแรับแค่วับเดียวแล้วหลังนั้นก็จะหายไปเป็นความดามืด <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงที่เรา <c oughs> ได้เกิดมาในช่วงที่มีแสงสว่างแห่งพระศาสนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอาศัยแสงสว่างนั้นเป็นหนทางที่นำไปสู่ความ พ, พ้นทุกข์ถ้าเราไม่ไม่ช่วยโอกาสในตอนนี้เราก็ หลังนั้นก็จะไม่มีแสงแล้วเราก็จะเดินหลงทางไป <c oughs> ตลอดกาลนานเนาะหรือเปรีปยบยางหนึ่งมันก็ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักคำว่าน้ำขึ้นให้รีบตักก็หมายความว่าเมื่อน้ำขึ้นแล้วน้ำก็ต้องลงลงต่อไปอย่างแน่นอนเมื่อน้ำลงก็จะไม่มีน้ำให้เราตักชั้นใดก็ฉันนั้นการที่เราได้เกิดประมุษนั้นก็ชื่อว่าเรามีน้าขึ้นแล้ว การที่เรารีบตักก็คือเราก็ต้องโชวโอกาสนี้ในการ ม, มา <c oughs> ประพฤติปฏิบัติธรรมทําความเพียรให้เกิดขึ้นให้เราเข้าสู่ความพ้นทุกข์เนาะถ้าเราเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้ก็ยังเป็นเชื้อเป็นปัจจัยนําไปต่อยอดในภพชาติอื่นๆได้ต่อไปเหมือนกับครูบาอาจารย์นะท่านก็คือท่านเคยปฏิบัติมานับภพบนับชาติไม่ท้วนแล้วอพอในชาติปีบันนี้ท่านก็ได้ฟังธรรม หรือบัลลุทไม่นานท่านก็บรรลุทำได้เนาะยังหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่จวนหลวงปู่เทหลงตามหาปู่บ่อหลวงปู่ดูนนี่ก็รวดเร็วนะบนรรลุทำได้เร็วหรือแม้แต่หลวงหลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เร็วนะ้ําก็ใช้เวลาไม่นานนะเพราว่าท่านสร้างสมนะเหตุปัจจัยมาเยอะแยะแล้วนะมั <c oughs> นกําน้ํานะน้ําที่ต้มมาแล้วนะ่ะครนี้ท่านต้มมาสักเจ็ดสิบแปดสิบองศาแล้วนะ มันก็ใกล้จะเดือดแล้วพอมาในปัจจุบันชาติทั้งต้มอีกไม่นาน <c oughs> มันก็เดือดได้เร็ว <c oughs> เดือดได้เร็วนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติมาเราก็ไม่มีไม่มีแม้แต่องศาเดียวนะมันก็เป็นน้ำที่เย็นนะมันก็ต้องใช้เวลาต้มนานแต่ถ้าหากเราเริ่มต้นต้มน้ำมันก็จะต้องอมีองศาเพิ่มไปเรื่อยๆนะถึงม้ชาตินี้เราไม่ได้มรรุธรรมแต่ว่า <c oughs> มันก็เป็น <c oughs> เป็นแต้มที่สะสมอยู่ที่ ส, สามารถต่อยอดไปไดน้นี่ก็คือความไม่ประมาทนั่นเองนะไม่ประมาทก็คือเราทำให้เต็มที่แล้วมันจะถึงหรือไม่ถึงจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจะบรรลุอะไรหรือไม่ได้อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราได้ทำ ด, ด้วยความเต็มเต็มที่แล้วนี่แหละก็คือความไม่มาทที่พระเจ้าได้ส่งได้ตักเตือนไว้เป็นปชิมโอวาเป็นวาจาข้างท้ายที่พระเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้เนาะ <c oughs> ครั้นี้ก็เราก็จะได้ข่าวมากมายว่าในช่วงปีใหม่นี้ก็ <c oughs> มีบัติเหตุบ่อยๆนะ <c oughs> มีคนตายกันมากมายไปร้อยร้อยคนนะก็เจตเตอนข่าวว่าเกิดจากเมาแล้วขับบ้างต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็การที่เมาแล้วขับหรืออะไรก็บอกว่าทาให้ดื่มเหล้าแล้วขาดสติทำให้เกิดบัติเหตุบ่อยนะคาว่าขาดสตินั่นหมายความว่าอะไรนะ สตินั้นก็คือสติที่เป็นทั่วไปนะอันนั้นก็คือสติทั่วไปซึ่งใครๆก็มีอยู่แล้วสติในการขับรถในการเดินข้ามถนนในการที่จะเดินไปไหนมาไหนในการที่หรือว่าเราก็ไม่หลงทาง <c oughs> หรือว่าเราก็สามารถที่จะรู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่บ้างนะนั่นก็คือสติทั่วไปเนาะแต่คำว่าสติจริ ง, รงๆนั้นนะในพุทธศาสนาหมาย ว, ามว่าสติปัฏฐานก็คือกลับมารู้เนื้อนะรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองนะ กลับมารู้กายรู้ใจขณะนี้กําลังทําอะไรอยู่กําลังคิดอะไรอยู่ตรงเนี้เป็นสติปัฏฐานซึ่งต่างจากสติทั่ ว, วไปนะบางคนบอกว่าเ อ, อบางทีก็มาคุยด้วยบอกว่าเขาก็มีสติเหมือนกันอะไรเงี้ยวันๆหนึ่งเขาก็ไม่หลงแม่อะไรอันนั้นก็คือสติธรรมดา น, นั่นเองนะไม่ใช่สติปัฏฐานในขณะเดียวกันเขาหลงก็ไม่รู้นะก็คือเขาก็คิดมากมายก็ไม่รู้หรือโกรธต่างๆก็ยังไม่รู้เลยนะ แต่ว่าคำคำว่าสติจริงๆก็คือสติที่ว่ากลับมารู้เรู้ตัว <c oughs> น, นเองนะกลับมารู้ว่ากําลังทําอะไรอยู่กายกําลังทำอะไรใจกําลังทําอะไรนี่แหละคือหนทางที่พระเจ้าได้ชี้ว่าเป็นหนทางที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติกันเนาะทำไมจะต้องประพฤติปฏิบัติก็เพราะว่าใน อ, อริสสสีก็มีข้อมรสมีงองแปดมรสมีองแปเนี่ก็จะมีะเริ่มเริ่มต้นก็สมามัญทิศก็คือ มีมีความเห็นชอบนะสัมมาสังกัปปรมีความดั่งิีชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันโตมีการงานชอบสัมมาชีโวมีอาชีพชอบสัมมาวายามมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความระลึกชอบสัมมาสมาธิมีจิตตั้งมั่นชอบนะอันนี้ถ้าย่อลงมาก็เป็นศีลนะ ส, สติสมาธิปัญญาเนาะ บางคนเคยไปย่อแค่ศีลสมาธิปัญญาอันนั้นไม่ถูกต้องเพราะว่ามีสัมมาสติอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าย่อแล้วก็คือศีลสติสมาธิปัญญาจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งไหนที่สําคัญที่สุดนะก็คือสตินั่นเองนะสตินี่คือตัวกลางตัวที่อยู่ตรงกลางเลยนะอันไม่เนรเชื่อมน ะ, ะถ้าไม่มีสติมันก็ไม่มีศีล น, นะคนที่ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยจะมีสตินั่นแหละอันนี้ต้องไม่มีศีลแน่นอนใช่ไหมไปทําผิดศีล ต, ต่างๆได้มากมายนะ ไม่มีสติก็ไม่มีสมาธินะไม่มีสติก็ไม่มีปัญญานะเพราะนั้นสตินี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ <c oughs> สำคัญที่สุดเนาะ <c oughs> <c oughs> การที่เราว่าสำคัญได้อย่างไรนะก็เรียกว่าเป็นเป็นพระสูตรใหญ่ที่พระเจ้าได้ส่งแสดงเอาไว้ว่าผู้ใดไปปฏิบัติตาม <c oughs> ตามที่พระสูตรนี้ก็จะบรรลุธรรมได้ง่ายใช้เวลาไม่นานแล้วก็เป็นหนทางที่เรียกว่า เอกยโนโมโคคือคนทางสายเอก <c oughs> ก็ได้แก่สติปัญสีนั่นเองนะสติปัญสีก็เริ่มจากบทหมดกายนี่แหละมีกายเวทนาจิตธรรมนะในบทกายก็เป็นบทหรือบทใหญ่นะพระเจ้าให้เรารู้ใน <c oughs> บทใหญ่ต่างๆสี่อีลบทก็คือยือนให้รู้ว่ายืนเดินให้รู้เดินนั่งรู้นั่งนอนให้รู้นอนนะก็คือกลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละ กลับมารู้สึกตัว <c oughs> กลับไบันที่เรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมอตอนนี้เรานั่งเนี่ยเรารู้ไหมว่าเรากำลังนั่งเนอเรายืนรู้ไมมว่ากำลังยืนเดินรู้ไม่ว่ า, ากำ ล, นะ <c oughs> ล, ลังเดินนะสิ่งเราเนี่ยบางทีเราฟังดูแล้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วเรากลับมาถามตัวเราเองไม่ว่า <c oughs> สิ่งเราเนี่ยมันเป็นความเคยชินหรือเป็นความรู้สึกตัวเนะบางคนนี่ก็เดินนะเดินเดินจริงๆนั่นแหละ แต่สัก 99% หรืออาจจะเรียกว่า 99.99% 99ไม่รู้สึกตัวในนาเดินแล้วก็ <c oughs> จะคิดไปด้วยจะไปทำ <c oughs> ถึงที่ทำงานทันไหมรถจะติดไหมเย็นนี้จะไปกินข้าวที่ไหนดีพรุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนมันไม่ได้ <c oughs> รู้ว่ากำลังเดินเลยนะมันก็ไหลไปทางตาบ้างทางหูบ้างแต่ว่าไม่ได้กลับมารู้ว่ากำลังเดินนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งง่า ย, าย แต่ทำไมเราไม่รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เนาะพอะมื่อเจ้าก็เลยชี้กลับมาว่าอขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็ให้รู้ในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยคือตามลู้กายใช่ไหนะต่อมาพระพุทเจ้าก็ได้ทรงชี้ในบทย่อยต่างๆอีกเหลยวซ้ายแลขวาเดินหน้าถอยหลังคู้แขนเหยียดแขนอก้อมเงยทรงจีวรสังคาติดื่มลิ้มกินเคี้ยวอุจจาะปัสสวะก็ให้รู้สึกตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่เนาะ เพราะนั้นหมายความว่าในชีวิตจําบันของเรานะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เล็ก ๆ, ๆน้อยๆเช่นอาบน้าแปรงฟันล้างหน้านะกินข้าวนะกวาดบ้านถูบ้านซากาักผ้าในชีวิตจําบันเรานั่นแหละก็คือกลับมารู้สึกตัวเนาะแล้วก็การที่พระเจ้าให้ให้รู้สึกตัวเช่นนี้ไม่ไม่ใช่หมายความว่ามาที่วัดนะเราค่อยมารู้สึกตัวค่อยมาปฏิบัติธรรมที่วัดหรือสานักปฏิบัติธรรมก็หาไม่ แต่หมายความว่าให้เราอยู่ในจิตประจาวันของเราเนั่นเองอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่วัดอยู่ที่ไหนไหนอยู่ในห้างสัตว์ปิค้าแล้วก็รู้สึกตัวไปได้นะก็คือให้เราอยู่กับจิตประจําวันของเราเนี <c> ่ย <oughs> ตรงนี้ <c oughs> จึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่ว่าให้กลับมารู้รู้ในตัวของเรามากกว่ารู้ทางกายก่อนนะใหม่ๆ ม, มันเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะสิ่งที่มันง่ายๆก็คือมันเป็นความหยาบความหยาบเพราะจิตเรามีความหยาบ ความหยาบเมืองจิตเนี่ยมันมันสามารถรู้สิ่งที่จับหยาบได้นะเช่ น, ดนเดินเดินนั่ง น, นอนคู่แขนเหยียดแขนอะไรทั้งหลายแหละนะก้มเงย <c oughs> หรือไม่ก็อ่าเราก็มาทําในกษษษษษษษษิจกรรมจิตกิวัตนไปรําวันนะต่างๆเลยเป็นสิ่งที่เป็นหยับหยาบนะเราก็กลับมารู้สึกตัวในสิ่งเหล่านี้นะคราวนี้เมื่อเรารู้ในทางกายที่มันหยาบแล้วมันก็ไปรู้ในสิ่งละเอียดต่างๆได้ด้วยเนะช่นเวทนาเราก็เห็นนะเวทนามันก็ มีความทุกข์บ้างมีความสุขบ้างนะหรือมีความเฉยๆมากเราก็เห็นนะเห็นก็เป็นแค่เวทนาก็เป็นสักแล้วเวทนาไม่สัต์บุคคลตัวตนเราเขาเนาะเพราะว่าอะไรตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่ามันปวดเมื่อยนะแต่เดี๋ยวเราลุกขึ้นมาก็หายไปแล้วใช่ไหมหรือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ใช่เราหิวเราหนาวหรือว่าเรามีความง่วงต่างๆเราเนี่ย <c oughs> มันก็เดี๋ยวว่าหายไปแล้วนะมันก็เป็นแค่ศักดิ์ตระเวทนาไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความเจ็บปวดเราก็ดูไปเออเราเราจะเดินนานๆปวดเมื่อยก็ดูมันก็เป็นแค่เวทนาเท่านั้นเองนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหรือเราปวดอะไรก็แล้วแต่ที่มปวดนนหนักๆแม่แต่ปวด <c oughs> เป็นมะเร็งก็ดูเข้าไปอมันก็เรามีหน้าที่รู้เราถ้ามีหน้าที่ดูเท่านั้นเราไม่ได้เป็นผู้เป็น เราไม่ได้เป็นผู้เป็นเวทนานะเราแค่รู้เวทนาเท่านั้นเองมันก็จะได้แยกเราดูนะมันไม่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะมันเป็นแล้วมันก็หายได้นะหรือมันไม่หายก็ไม่เป็นไรก็ไม่ใช่ของเรานะพอมันก็แยกได้เราก็จะได้ไม่มีความทุกข์นะต <c oughs> ัวเรื่องจิตเราก็จะเห็นนะจิตที่ว่าจิตตานุปัสสนสิปบฐานเนี่แหละอันนี้เมื่อเรามารู้จักกายแล้วจิตก็จะเริ่มละเอียดขึ้นเราก็จะไปเห็นในเรื่องจิตจิตตานุปัสสนาพระเจ้าบอกว่าจิตมีราคะก็รู้มีราคะ จิตมีโทสะก็รู้มีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะก็รู้ไม่มีโมหะก็คือรู้ความจริงของจิตใจนั่นเองนะอันนี้เราก็ <c oughs> สามารถที่จะสังเกตจิตใจได้ไวขึ้นเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรู้สึกตัวเนี่ยถ้าเราสังเกตดูนะถ้าเราเคยปฏิบัติมาแล้วเราจะรู้สึกว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมนะไม่ว่า <c oughs> จะในรูปแบบสิบสีจังหวะหรือว่าเดินจงกรม มันก็จะเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวแล้วนะใจมันจะไม่วอกแวกออกไปไกลใช่ไหมมันจะกลับมันได้เร็วขึ้นนะเราจะรู้สึกว่าเออมันก็กลับมาได้นะ <c oughs> จากการที่เรียกว่าจิตเขาเนี่ยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อาศัยไม่มีไม่มีเครื่องให้เขาอยู่เป็นเครื่องรูของใจนะไม่ ใ, ใจอ่าเมื่อไม่มีเครื่องอยู่เช่นเรานั่งนิ่งๆแล้วนะนั่งนิ่งๆมันก็จะคิดไปเรื่อยๆนะ ค, นนคิดนู่นคิดนี่นะคิดไปเรื่อยๆบางทีห้านาทีคิดไปเป็นสิเรื่องเลยนะอันนี้ก็เรียกว่าเรา เราเราหลงไปนะเพราะการคิดนี่เราไม่รู้กำลังคิดอะไรนะคิดไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ใช่ความตั้งากคิดอันนี้คือความหลงทั้งนั้นเลยเนาะความหลงมันก็เป็นนำความทุกข์มาเรา <c oughs> มากมายนะนำความทุกข์มานะตั้งแต่อดีดหรืออนาคต <c oughs> เพราะภาวะใดที่เป็นความปรุงแต่งแล้วเรารู้ไม่ทันนั่นแหละนำความทุกข์มาทั้งสิ้นเนาะอันนี้ นะแต่เมื่อเรากลับมารู้สึกตัวแล้วเราจะรู้สึกว่าเออความคิดเป็นสิ่งเราสามารถรู้ได้นะมันก็ไม่ได้คิดยาวกว่าสมัยก่อนแล้วคิดแบบหนึ่งเราก็รู้ทันนะรู้ทันก็กลับมารู้สึกตัวมันก็ดับไปนะหรือเราก็เห็นมันแล้วนะ เ, เห็นมันแล้วมันก็ดับไปแต่ในนาะเดียวกันถ้ามันไม่ดับก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่เราจะเริ่มเห็นความคิดแล้วเห็นความคิดมันกำลังคิดแล้วเราก็เริ่มเห็นมันเราก็เริ่มดูมันได้นะหลังนั้นมันก็ไปไม่ไกลนะมันก็เราสามารถรู้ทันมาแล้วก็มันก็ไปไม่ไกลหรอกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้มันสําคัญมาก เรารู้ทันไหมเพราะฉะนั้นเราจะไปห้ามความคิดก็ไม่ได้นะแต่สําคัญว่าเราเร า, เรารู้ไหมเรารู้ไหมก็ว่าเรากำลังคิดนี่แหละเพราะนั้นหลโมกข์คำเกียนเขาบอกว่าให้เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะเป็นหลงเป็นรู้ก็คือมันหลงได้นะอ่ามันหลงได้คือจิตใจนะหรือสมองมันก็มีหน้าที่คิดอยู่แล้วมันก็คิดมันทั้งวันนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเลยแม้แต่นอนหลับมันก็ยังคิดเป็นความฝันเนี่ยมาอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาของเขาอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราเรารู้ทันไหมนะตรงนี้มันสําคัญกว่าใช่ไหมเพราะเราก็ไม่ห้ามความคิดแต่ถ้าเรายิ่งรู้ทั น, นจิตเราก็ยิ่งตื่นขึ้นจิตก็จะเป็นการเขย่าท่านรู้ให้โตขึ้นนะมันก็กเป็นกับให้จิตเกิดความทักษะว่าเรารู้ทันความคิดได้บ่อยๆรู้ได้บ่อยๆแล้วความคิดมันก็จะเริ่มลดไปเริ่มน้อยลงไปหลังนั้นเราจะเริ่มที่เรียกว่าเราจะเห็นความคิดนะตรงนี้มันเป็นประเด็นสําคัญว่าเราเห็นความคิดได้ไหมเนี่ยเพราะหลวงพเทียนเลยบอกว่าให้อ่า ให้เห็นความคิดแล้วก็ไม่เข้าไปในความคิดแล้วก็ไม่ห้ามความคิดด้วยนยีถ้าเราเห็นความคิดได้เราก็เราว่าเราก็ได้ต้นทางของการปฏิบัติธรรมแล้วนะเพราะการปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็คือกลับมารู้ความคิดรู้อารมณ์ต่างๆนั่นเองนะส่วนกายกระตาต่างๆที่ว่าเรากลับมามีสติในกายทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็เป็นปัจจัยอย่างนึงว่ากลับมาเห็นจิตใจของเรานั่นเองเพื่ออะไรเพื่อจะได้พัฒนาจิตวิ ญ, ญญาณเราให้โตขึ้นให้สูงขึ้นใช่ไหมไม่ได้พัฒนาแค่กาย แต่เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณให้าโตขึ้นให้เสูงขึ้นว่าขณะนี้นะเราสามารถรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในการใจเราเพราะเมื่อเรารู้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงไปเบาลงไปเมื่อเราเห็นความคิดได้เราก็จะเห็นความโกรธความรักความชังความมิจฉาความน้อยใจความหึงหวงความเหงาความเครียดซึ่งสิ่งเนี้ก็คือความทุกข์นั่นเองเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เช่นความโกรธเป็นต้นความโกรธก็จะลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปหรือดับไปเนี่ยเมื่อเมื่อความ โกรธซึ่งเป็นความทุกข์เขาน้อยลงเพราะฉะนั้นความสุขก็เพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้เราก็จะอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายได้เราจะพู้เห็นอารมณ์ทั้งหลายนะแต่เราก็ไม่เขาไเป็นไม่เข้าไปเป็นในสิ่งเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ก็มีอยู่แต่ว่าเราก็ไม่เข้าไปซวยในความทุกข์นั้นนะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราว่าเราสามารถกลับไปเป็นผู้ดูได้ไหมเข้าเห็นความทุกข์ได้ไหมเห็นความโกรธได้ไหมเห็นความรักได้ไหมเห็นความชังเห็นความมิจฉาได้ไหมไม่ใช่เป็นผู้เป็น เพราะนั้นก็เลยหลงพ่อคําเคียงเลยบอกว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะเพราะว่าตั้งแต่ดีดมาแล้วนะจนถึงไปบัดนี้นับเป็นเวลายาวนานหรือนับพรหมรัชชามิทวนเราจะไม่ผู้เป็นนะเราเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้เป็นนะเป็นผู้รักเป็นผู้โกรธเป็นผู้ชังเป็นผู้อิจฉาเป็นผู้น้อยใจเป็นผู้เสียใจนะมันจะมีลากใหญ่ที่ว่าเป็นความโลภความโกรธความหลงเราเนี่ยอยู่ในใจเราเพราะเลยกับเราเป็นผู้เป็นมาตลอดแล้วก็เป็นนักรู้ใส่ในใจเรานะ ตาบใดที่เรารู้ไม่ทันมันมันจะคองใจเราตลอดไปแล้วมันจะนําเราเวียนว่ายตายเกิด น, น, น, นับนับชายไม่ท้วนแต่เมื่อตาบใดที่เราเริ่มเห็นแล้วเริ่มเป็นผู้ดูแล้วเขาจะอยู่ในใจเราไม่ได้นานนะเขาอยู่ในใจเราไม่ได้นานแบบสมัยก่อนแล้วเขาจะเริ่มออกไปนะออกไปยางใจเรานะอาจจะออกไปไปบางส่วนเป็นบางครั้งนะแต่ในสุดเขาก็จะหมดไปเขาจะออกไปจนหมด<ท> legally, สิ้นเพราะเมื่อเราเป็นผู้ดูก็เป็นแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้นะมันก็มีขโมยนั่นแหละใช่ไหมถ้าเราไม่รู้จักขโมย เขาก็จะขโมยของเราไม่มีที่สิ้นสุดนะเราเป็นเจ้าของห้างซูเปอร์มาร์เก็ตวันๆหนึ่งจะมีของหายอยูป่ประจำเราก็ไม่รู้ใครเป็นขโมยนะเราก็มีความทุกข์แต่มาวันหนึ่งเราก็เริ่มเห็นเอผู้ชายในท่าทางมันหลอกแหลกลุกลกเหลวซ้ายลายขวา <c oughs> กระเป๋ามันก็มีอะไรตุตุงนะมันก็มองมองนู่นพอเราเห็นหน้ามันปุ๊บอเราก็จําหน้ามันได้ปุ๊บมันมันเห็นเรามองหน้าปุ๊บมันรีบออกจากร้านเราไปเลยนะ แต่จริงๆมันก็คือขโมยนั่นแหละแต่เราเริ่มรู้แล้วมันมันน่าจะเป็นขโมยอีกสามวันมันก็เข้ามาใหม่นะอ่ามันมันนึกเราจำมันไม่ได้แต่เรามองหน้ามันปุ๊บมันรู้เราจำมันได้มันหนีออกจากร้าเราทันทีเลยนะคราวนี้อีกเดือนนึงมันก็มาใหม่นึกเราจำมัไม่ได้แล้วนะบอนเข้ามาปุ๊บเราเห็นหน้าปุ๊บมันก็หนีไปเลยนะหนีไปเลยครั้นี้มันมันนานๆนะปีมันค่อยมาใหม่หรือว่านานๆมันก็มามาใหม่ละครั้งหรือไม่มันก็ไม่เข้ามาเลยนะ พราะนั่นกิเลสในใจเรานะมันก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันนะพจน์กิเลสทั้งหมดนะมันไม่ได้กลัวอะไรเลยมันกลัวเรารู้ทันเท่านั้นเองนะพอเรารู้ทันปั๊บเนี่ยมันก็จะไปจะหนีไปจะออกจากใจเราไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันใช่ไหมแล้วมันก็นานๆไม่ค่อยมาทีหนึ่งมาทีนึงแต่เมื่อเรารู้บ่อยๆเขาก็ไม่ค่อยมาแล้วเนี่ยก็คือกิเลสก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะถ้าเรารู้ทันแล้วเนี่ยเขาก็จะไปนะพรา์อยู่ที่ว่าเราสามารถเรียรู้ไหมเราเป็นผู้ดูได้ไหมเป็นผู้เห็นได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเรา มาพัฒนาจิตวิญญาณเราให้เราเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่เป็นผู้เป็นนะอันนี้เราก็จะออกจากอาอรมณ์ต่างๆได้เร็วนั่นแหละก็คือออกจากสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตของเราให้มีความทุกข์ความสุขความรักความชังไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ก็คือเชื้อของกิเลสนั่นเองเนาะหลังจากนั้นเมื่อเราเห็นสิ่งตรานี้แล้วนะเราจะรู้สึกว่าสิ่ ง, งนี้เป็นแค่อะไรบางอย่างที่มาแล้วก็ไปนะความโกรธก็เป็นสิ่งที่มาแล้วก็ไปไม่ได้อยู่กับเราตลอดกาลนานใช่ไหม ถ้าหากว่ามันเป็นของเรามันเริ่อยู่กับเราตลอดกาลนานนะหรือว่าความรักความดีใจมันก็เราเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นสิ่งเราชอบแต่ทําไมไม่อยู่กับเราตลอดตลอดกาลนานมันมาแล้วไปเร็วมากนะมันมาแล้วไปเร็วนะเมื่อเราเห็นในสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นความพอใจหรือความไม่พอใจมันมาแล้วก็ไปเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่ไม่นอนนะเป็นของตั้งอยู่ไม่ได้นานเป็นของไม่เที่ยงเป็นความเกิดความดับจิตก็จะเกิด ความเข้าใจนะความเข้าใจว่าสิ่งเราเนี้ยเป็นสิ่งที่เราไปยึดมากอะไรก็ไม่ได้เลยเป็นสิ่งเราให้ค่าอะไรก็ไม่ได้เป็นสิ่งเราจะต้องไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องด้วยเป็นสภาวะอย่างหนึ่งที่เรารู้แล้วว่ามันมีแต่ความไม่เที่ยงนะถ้าจิตเข้าใจชช้นนี้ก็เกิดการคลายออกอการปล่อยการวางการยึดติดนะสภาวะธรรมต่างๆเราเนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่เราต้องเห็นบ่อยๆน ะ, ะไม่ใช่ว่าเราเห็นครั้งเดียว <ะ>เห็นความโกรธความรักความชังบ่อยๆเราต้องเห็นบ่อยๆไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ครั้งสองครั้งแล้วเราจะเข้าใจธร ร, รมะก็หาไม่แต่หมายความว่าเราเห็นบ่อยๆไหมขณะนี้มีลมอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธเกิดขึ้นไหมเราเห็นไหมแล้ว ก, ก็ดับไปจริงๆให้เราเห็นใช่ไหมความรักความชอบใจเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็กดับไปเราเห็นนี่แหละคือความธรรมที่เราสามารถเห็นได้เห็นความเกิดความดับในตรงนี้นั่นแหละ สิ่งใดทีเด่เห็นเป็นความเกิดความดับนั้นเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกับพระคนัญญาท่านก็ฟังธรรมจากแล้วท่านก็เกิดลงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นไม่ธรรมดาสิ่งนั้นท่านพวงมีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่ก็ท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไดนะตรงนี้ก็คือสภาวธรรมที่เห็นความเกิดความดับเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือเราสามารถเห็นได้ไบ่อยนะแม้แต่ความคิดเรานะเราก็คิดอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเราไปบวชธรรมหรือทำอะไรก็ล แ, แล้วแต่เราก็มีความคิดแบบเข้ามาเรารู้ทันมันก็ดับไปนะ เดี๋ยวก็คิดแวกมาแล้วก็รู้ทันกระดับไปนี่แหละเราเห็นไหมว่านี่แหละคือสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่มันมีความเกิดความดับมีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นนะสภาวธรรมทั้งหมดนี้เป็นการเข้าสู่พระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์นั้นคือสัจธรรมคือความจริงคำว่าสัจธรรมก็คือความจริงในโลกนี้มันนี้ไม่พ้นนะประไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงนี่คือความจริงที่เราเห็นแล้วนะในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดมีความเที่ยงเลยเพราะนั้นอธิบายได้ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้ก็คือความไม่เที่ยงนั่นเองนะ ตัวเราก็มีแล่ความไม่เที่ยงนะเกิดมาแล้วก็แก่ก้องเจ็บต้องตายอันนี้ความไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายก็มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างคุณเจ้าที่ทรงตัดไว้แล้วสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่แหละคือความไม่เที่ยงนะเพราะเมื่อมีความไม่เที่ยงมันจะมีความทุกข์ตามมาความทุกข์ก็คือการที่มันอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้มันต้องมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันนี้ก็คือสภาวะที่มันเป็นความทุกข์ทั้งหมดเนาะสิ่งที่เป็นความไม่เที่ยงก็ดีความทุกข์ไม่ดีมันเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เราบังคับบัญชาสภาวะธรรมต่างๆไม่ได้เลยนะแล้วไม่อาจจะบังคับสิ่งต่างให้เป็นไปตามใจเราได้ให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ไหมให้เขาไม่เกิดไม่ดับได้ไหมไม่ได้สิ่งต่างไม่ได้ความเกิดความดับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เพราะเหตุจากการที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้การที่เราบังคับบัญชาเขาไม่ได้นั่นแหละมันจึงเป็นการยืนยันว่ามันไม่ตัวไม่ตนของเรานะถ้าหากว่าเป็นตัวเป็นตนเราเราก็ระบังคับเขาได้นะให้เขาดีตามเราต้องการแต่ว่าเราไม่อาจจะบังคับอะไรได้เลย สิ่งต่างๆไม่บังคับได้ทั้งหมดนะในโลกนี้บังคับอะไรไม่ได้แม้ ต, ตัวเราก็ยังบังคับไม่ได้เลยใช่ไหมขับมาเห็นในสิ่งเหล่านี้เรามันก็จะเกิดการสรุปในใจบ่ยบอยๆนะเกิดการเห็นบ่อยๆแล้วก็จะเกิดปัญญาเกิดการสรุปในใจเราได้บ่ยบอยๆว่าสภาวะทั้งหลายนะมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นตาไม่ตัวไม่ตนแล้วจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายการคลายกำหนัตแล้วหลังนั้นจิตก็จะเริ่มปล่อยเริ่มวางเริ่มไม่จะติดนั่นแหละเป็นคนทางที่ว่ามันจะพ้นทุกข์ได้นะ จิตที่เริ่มคลายออกจากกิเลสทั้งหลายแล้ันก็คือเวลาคะการขายนัญหานั้นแนหะคือนิโรธนะเมื่อเราเข้าถึงนิโรธแล้วเราก็จะสู่การพ้นทุกข์ได้นะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหนทางที่เรียกว่าเราสามารถเบิดได้ในชาตินี้นะไม่ต้องไปรอชาติต่อไปเมื่อชาตินี้มีความทุกข์ชาตินาจต้องมีความทุกข์แน่นอนเพราะว่าเราสังเกตได้ไหมว่าเราเปฏิบัติธรรมานานแล้วหรือว่าปฏิวัติมาขนาดไหนก็แล้วแต่สังเกตได้ไหมว่าความโกรธยังมีอยู่ไหมหรือความโกรธมีมากขึ้นกว่าเก่านะความทุกข์มีไหม หรือความทุกข์มีมากกว่าเก่าใช่ไนะกินเลยยังมีอยู่ไมหมหรือว่ากินเลยมีมากกว่าเก่านะตรงนี้ถ้าเราสังเกตนิดนึงว่าเราไปบัตแล้วเป็นอย่างไรนะถ้ามันมีมากกว่าเก่าแสดงว่าเราอาจจะแบบไม่ถูกทางนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำและสังเกตใจเราให้ได้นะสิ่งนี้ก็คือพอเทมที่เราสามารถสังเกตได้ไม่ยากใช่ไหมถ้าเราสังเกตได้แล้วกินเลยก็จะลดไปเองแต่ถ้าสังเกตไม่ได้ก็จะอยู่ในใจเราตลอดการเนาะ ตอนสิ่งเหล่นี้เป็นหนทางที่มันไม่ยากหรอกอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะเห็นกายเห็นใจเราได้ไหมสังเกตจิตสังเกตใจเราได้ไหมจะได้พัฒนาจิตวิญญาณเราให้สูงขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ยากนะอยู่ที่ว่าเราจะบัดเต็มที่ไหมด้วยความเพียรด้วยความเต็มใจด้วยความวิริยะอุตสาหาแล้วก็มีสติมีปัญญาในการบัดทำแค่ไหนเท่านั้นเองนะเพราะทุกคนมีมือมีเท้าเท่ากัน แต่ความเพียรเท่ากันไหมเนี่ยตรงนี้คือสิ่งเราต้องพัฒ น, นาในตัวเราเองเพราะฉะนั น, นในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระันนไตร <c oughs> เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2,560 ที่มาถึงนี้ก็ขอรัตนาบารมีให้ทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกได้โดยเร็วพันทุกท่านเทิน อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุธทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาก้าโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัามิสุปฏติปันโนภะคะวโตซ า, าวกะสังคโฆสังขังนามามิ